สิกขาบทที่6ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนผู้พวกศนะีรษะณที่ไหนในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย